คุณค่าทางจริยธรรมของไตรลักษ์ข้อต่อไปข้อจ่อคุณค่าทางจริยธรรมของไตรลักษ์ตามลาดับข้อเท่าที่บรรยายมานี้เป็นการกล่าวถึงคุณค่าทางจริยธรรมของไตรลักษ์อย่างรวมๆกันไปต่อไปนี้เป็นการพิจารณาคุณค่าทางจริยธรรมของไตรลักษ์นั้น โดยจำแนกตามลำดับข้อข้อหนึ่งอณิจจตาหลักอณิจจตาแสดงความไม่เที่ยงความเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปของสิ่งทั้งหลายจนถึงส่วนย่อยที่ละเอียดที่สุดทั้งฝ่ายรูปธรรมและนามธรรมาความไม่เที่ยงของส่วนย่อยต่างๆเมื่อปรากฏเป็นผลรวมออกมาแก่ส่วนใหญ่ที่มนุษย์พอสังเกตเห็นได้ ก็เรียกกันว่าความเปลี่ยนแปลงซึ่งทำให้เกิดความเข้าใจหรือรู้สึกเหมือนกับว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นมีตัวมีตนของมันซึ่งเดิมมีสภาพเป็นอย่างหนึง่งและบัดนี้ตัวตนอันนั้นเองได้เปลี่ยนแปลงแปรรูปไปเป็นอีกอย่างหนึง่งความเข้าใจหรือรู้สึกเช่นนี้เป็นความหลงผิดอย่างหนึง่งเป็นเหตุให้เกิดความยึดมั่นถือมั่นนาตนเข้าไปผูกพันอยู่กับภาพความนึกคิดอย่างหนึ่งของตนเอง ซึ่งไม่ตรงกับความเป็นจริงเมื่อดำรงชีวิตอยู่อย่างผู้ไม่รู้เท่าทันสภาวะย่อมถูกจุดลากให้กระเสือกกระสนกระวนกระวายไปตามภาพที่สร้างขึ้นลวงตนเองนั้นเรียกว่าอยู่อย่างเป็นทาตแต่ผู้รู้เท่าทันสภาวะย่อมอยู่อย่างเป็นอิสระและสามารถถือเอาประโยชน์จากกฎธรรมดาเหล่านี้ได้ในทางจริยธรรมหลักอนิจจตาอาจใช้ให้เป็นประโยชน์ได้เป็นอันมาก เช่นหนึ่งความเป็นอนิจจังนั้นว่าตามสภาวะของมันย่อมเป็นกลางกางไม่ดีไม่ชั่วแต่เมื่อเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่ของมนุษย์ก็มีบัญญัติความเปลี่ยนแปลงด้านหนึ่งว่าเป็นความเจริญและความเปลี่ยนแปลงอีกด้านหนึ่งว่าเป็นความเสื่อมอย่างไรก็ดีความเปลี่ยนแปลงจะเป็นไปในด้านใดอย่างไร ย่อมแล้วแต่เหตุปัจจัยที่จะให้เป็นในทางจริยธรรมนำหลักอนิจจตามาสอนอนุโลมตามความเข้าใจในเรื่องความเสื่อมและความเจริญได้ว่าสิ่งที่เจริญแล้วย่อมเสื่อมได้สิ่งที่เสื่อมแล้วย่อมเจริญได้สิ่งที่เสื่อมแล้วย่อมเสื่อมลงไปอีกได้และสิ่งที่เจริญแล้วย่อมเจริญยิ่งขึ้นไปได้ทั้งนี้แลแต่เหตุปัจจัยต่างๆและในบรรดาเหตุปัจจัยทั้งหลายนั้น มนุษย์ย่อมเป็นเหตุปัจจัยที่สำคัญและสามารถบันดาลเหตุปัจจัยอื่นๆได้อย่างมากบรรดาล์ในที่นี้ใช้อย่างเป็นสัญลวนล้อความเท่านั้นความหมายก็คือเป็นปัจจัยส่งต่อแก่ปัจจัยอื่นๆโดยในยะนี้ความเจริญและความเสื่อมจึงไม่ใช่เรื่องที่จะเป็นไปเองตามลมลมแต่เป็นสิ่งที่มนุษย์เข้าไปเกี่ยวข้องทำและสร้างสรรได้ อย่างที่เรียกว่าตามยถากรรมในที่นี้ใช้คำว่ายถากรรมตามความหมายทางธรรมไม่ใช่ตามความหมายที่เข้าใจในภาษาไทยในที่นี้สิ่งที่มนุษย์เข้าไปเกี่ยวข้องทมและสร้างสรรตามยถากรรมในความหมายทางธรรมคือแล้วแต่มนุษย์จะทําเอาตามวิสัยแห่งเหตุปัจจัยโดยไม่ต้องคอยระแวงการแทรกแซงจากตัวการอย่างอื่นนอกเหนือธรรมชาติ เพราะตัวการนอกเหนือธรรมชาติไม่มีและมิใช่ปล่อยเรื้อยเปลือยรอให้มันเป็นเองแบบนอนคอยโชคดังนั้นในทางจริยธรรมความเป็นอนิจจังหรือแม้จะเรียกว่าความเปลี่ยนแปลงจึงเป็นกฎธรรมชาติที่ทำให้มนุษย์มีความหวังเพราะกฎธรรมชาติย่อมเป็นกลางๆจะให้เป็นอย่างไรแล้วแต่จะทาเหตุปัจจัยที่จะให้เป็นอย่างนั้นขึ้นการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ดีขึ้น จึงเป็นสิ่งที่ทำได้ไม่ว่าจะเป็นการสร้างความเจริญทางวัตถุหรือทางนามธรรมาตั้งแต่การทำคนโง่ให้เป็นคนฉลาดจนถึงทำปุถุชนให้เป็นพระอรหันต์และการแก้ไขกลับตัวปรับปรุงตนเองทุกอย่างสุดแต่จะเข้าใจเหตุปัจจัยที่จะให้เป็นอย่างนั้นแล้วสร้างเหตุปัจจัยนั้ น, น, นขึ้นโดยสรุปความเป็นอนิจจัง ในความเข้าใจระดับที่เรียกว่าเป็นความเปลี่ยนแปลงสอนว่าสำหรับผู้สร้างความเจริญหรือผู้เจริญขึ้นแล้วต้องตระหนักว่าความเจริญนั้นอาจเปลี่ยนเป็นเสื่อมได้เมื่อไม่ต้องการความเสื่อมก็ต้องไม่ประมาทต้องหลีกเว้นและกำจัดเหตุปัจจัยที่จะให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในทางเสื่อมพยายามสร้างและเปิดช่องให้แก่เหตุปัจจัย ที่จะให้เกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างที่จะรักษาความเจริญนั้นไว้สำหรับผู้พลาดเสื่อมลงไปก็สามารถแก้ไขปรับปรุงได้โดยละทิ้งเหตุปัจจัยที่ทำให้เสื่อมนั้นเสียกลับมาสร้างเหตุปัจจัยที่จะทำให้เจริญต่อไปยิ่งกว่านั้นความเปลี่ยนแปลงที่เป็นไปในทางเจริญอยู่แล้วก็สามารถส่งเสริมให้เจริญยิ่งขึ้นได้โดยเพิ่มพูนเหตุปัจจัยที่ทำให้เจริญให้มากยิ่งขึ้น พร้อมกับที่ต้องไม่ประมาทละเลยในความเจริญนั้นจนมองไม่เห็นความเป็นไปได้ของความเสื่อมและเหตุปัจจัยต่างๆที่จะทำให้เกิดความเสื่อมนั้นเสียเลยกล่าวมาถึงขั้นนี้ก็มาถึงหลักธรรมสำคัญที่สุดที่เป็นเครื่องประสาน ร, ระหว่างศัจธรรมกับจริยธรรมคือการที่จะต้องมีปัญญาตั้งต้นแต่รู้ว่าความเสื่อมและความเจริญแท้จริงที่ต้องการนั้นคืออะไร เหตุปัจจัยที่จะให้เกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างที่ต้องการนั้นคืออะไรตลอดจนข้อที่ว่าจะเพิ่มพูนความสามารถของมนุษย์ในการเข้าไปบันดาลเหตุปัจจัยต่างๆได้อย่างไรหลักอนิจจตาจึงมีความหมายอย่างยิ่งในทางจริยธรรมตั้งแต่ให้ความหวังในการสร้างความเจริญก้าวหน้ารับรองหลักกรรมคือความมีผลแห่งการกระทาของมนุษย์ จนถึงเน้นความสำคัญของการศึกษาอบรมให้เกิดปัญญาที่สำหรับจะเข้ามาเกี่ยวข้องกับความเปลี่ยนแปลงต่างๆอย่างมีผลดี